ขอกับคละพัลนะไตยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขอน้ำมันตรการครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงพี่ทุกทุกท่านเจริญพรอุาสกอุบาจุกาผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายนั่งตามสบายหลวงพ่อก็ไปช่วยงาน ทางอำเภอจตรัศก็มาถึงวันนี้ไปถึงเกือบถึงเกตบ้านหกวันนึกมั้งเจ็ดวันแหละเจ็ดวันแล้วแล้วก็ปีนี้เลือกซื้อว่าทุกทุกบ้านที่ไปเห็นมาก็ ดีทุกบ้านเลยมีคนเข้าบ้านเอามีมีคนมาเข้ามาปฏิบัติธรรมนี่หลายหลายกว่าทุกปีไปที่ไหนก็เหมือนกันหรือว่าตื่นเต้นขึ้นขึ้นทุกทุกบ้านนั่นแหละไม่เคยเห็นจิิงคนที่ไม่เคยมาก็มาหลายๆคนอยู่เนี่ยคนเรานี่มันถ้ารู้จักแล้วมันก็อดไม่ได้หรอกทนไม่ได้หรอกถ้าเขารู้จักเขาเข้าใจ เพราะว่าเรานี่เกิดมาเนี่ยหลงมาตั้งแต่เกิดมาได้หลายหลายปีเนีว่าพุทธศาสนาเนี่ยคือได้ถือว่าถือมาแต่นาแล้วทั้งแต่พ่อแต่แม่เราก็ถือมาพุทธศาสนาพูดเนี่ยแต่ว่าไม่รู้จักว่าทุตพุทธที่เขาสอนเรื่องอะไรไม่รู้จักก็ทำตามกันมามาดูแล้วนั่นน่ะศาสนาเรานี่มันมีหลายาตรศาสนา S <S อพอศาสนาผีก็มีศาสนาพระภูมิเจ้าที่ก็มีเสจศาสนาเทวดาเส็จศาสนาหลายหลายศาสนาต่างคนต่างถือต่างคนต่างต่างทำกันไปแล้วก็ไปลงในบัญชีก็เป็นถืออยู่ในศาสนาพุทธแต่ที่จริงแล้วไม่มีเลย ถือธบุทธศาสนาตั้งแต่ที่เป็นบัณฑกับตำโนควาตอนนั้นตัวโตของเราเองไม่ไม่มีหรอกไม่รู้เลยวันเนี้ก็ทํำกันไปตามยถากรรมเไม่ค่อยมีคนมาสั่งสอนกันไปเคยให้ทานการรักษาศีลเนี่ยทํามาแต่พ่อแต่แม่เราแต่อ่อนแต่ออกก็เข้ามาว่าตัวเองได้ไปวัดไปวาได้ครับจํารักษาศีลแล้วก็ว่าเป็นผู้รู้จัก กินร it ู้จักทานรู้จักรู้ธรรมะธรมโมแต่ว่าโลภโทสะโมหันั่นน่ะไม่เคยเห็นสักทีเลยมีแต่เดียดล้อนอยู่ตลอดเวลาถูกกิเลสมันตัญหามันครอบคุมไปหมดทุกคนเลยเนี่ยเราเราไม่เคยเห็นแล้วก็ทําไปตามตามกันไปเห็นคนทําแบบนั้นแบบนี้ก็ทํากันไปอย่างตามภาษา ที่คนที่ไม่รู้พอมารู้นี่แหละจัตนานี่ศาสนาพุทธนี้ก็พระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้ดีดีสอนให้จนไม่มีศาสนาอะไรเปรียบเทียบได้เลยให้คนสามารถจะออกเกิดทุกข์ได้แล้วก็สอนกันไปนันแหละก็บรินี้ก็พอพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้ว แต่ก่อนเราซื้อศาสนาพุทธนี่ศาสนาพุทธที่มีก่อนศาสนาพระพุทธเจ้าท่านมาสอนให้พวกเราก็พราบางเขก็สอนอยู่ศาสนาพุทธนั่นแหละศาสนาโอ้ศาสนาธรรมณ์นั่นแหละศาสนาพุทธก็มีก็มีมีเป็นบางคนจะพบว่าศาสนาพรามณ์นั่นหลายเหมือนเรา youtube วันนี้แหละพอท่านพระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วท่านปรินิพานไปแล้วก็ ต่างก็ต่างคนก็ต่างถือละทิของไข่ของมันขึ้นมาไข่ก็ห้องไข่วาดดีเออบวกศาสนาพรณ์นี่ก็เขาก็จบมาศาสนาพรามณ์เขาจบมาแล้วเขาจบเรียนข่องแค่ไปหมดแล้วแหละเข้าฌานออกฌานสารพัดแต่เขาทํามาเนี่ยก็ประยุดตมาบัตรเจ็บตมาบัตรปดอย่างที่เราพระพุทธเจ้าท่านไปบวชใหม่ใหม่ท่านก็ไปหาครูบาอันนี้เนี่ย ไปอยู่ก็ไปเรียนอยู่จนจบตมาเบิดเกียรติจบตมาบาดแปดก็ยังคิดถึงพิมพาลาหุนอยู่ไม่มีทางที่จะนั่นเลยมีพวกปันเดวที่พูดขึ้นมาบางทีก็ลังเกียจบางทีก็คิดเบื่อหนายเขาเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็มีความสับสนวุ่นวายเหมือนพวกเราเนี่ยท่านก็เสียหาอยู่นเนี่ย พอเสร็จแล้วท่านก็มีคนไปนั่นแหละพอพอจบแล้วก็พอโคบาอาจารย์เขาบอกว่ามันจบท่านี้นะอาจารย์เนอ้ยจบได้แหละขอนินมนต์ท่านอาจารย์อดญาติโยมช่วยผมด้วยคนนิมนต์ไว้เก็มันมีบทเท่านี้หรืออาจารย์สอนตอนศาสนาเนี่ขยข้อใดก็ ย, ยังอยู่อีกคนหนึ่ง อยู่อุทธาการาบทก็ก็ไปไปหาอุทยาการาบทก็ไปเรียนนั่นแหะไปเข้าฌานออกฌานอยู่กับอุทยาการาบทนั้นก็เจ๋งกว่าครูบาอาจารย์อะไรก็รูปอะไรก็รูปก็ใจออกฌานเข้าฌานออกฌานดีกว่าครูบาอาจารย์อีกก็ไปหมด ว่าหมดแล้วหมดจบตมาบัดแปดอยู่กับคนแรกก็ไปได้เมตมาบัดเจ็ดไปต่ออีกก็ได้ตมาบัดแปดตมาบัดแปดก็ยังคิดถึงอยู่พิมพาลาหุนคิดถอนเวียงวังข้างนาก็ยังคิดอยู่นี่ก็ถอนหมดแล้วเมื่อก่อนนี้บนท่านให้โปรดญาติโปรดโยมช่วยท่านก็บอกว่าทางแต่ไม่ใช่ทางท่านบอกแล้ว ทางแต่ไม่ใช่ทางยังคิดถึงจนเป็นนี้เป็นนั้นไอคนไอคนอื่นเขาพูดมาบางทีก็ผิดออกผิดใจเหมือนกันไม่อยากนั่นไม่อยากพูดกับเขาะเกินรังเกียจก็ยังมีอยู่คิดถึงก็ยังมีอยู่ก็เลยก็ทางก็ไปไปเนี่ไปก็ไปอดเข้าอดตามสารพัดตั้งแต่ท่านจะนั่นแหละมันไม่มี อะไรก็ทำมาหมดแล้วอ่ะนอนเจ็ดนอนน้ำอก็ทำหมดเนี่ยเข้าน้ำอะไรก็อดจนขนโลมาเลยเหี่ยวแห้งหล่นออกไปหมดเหลือแต่กระหนังห่อกระดูกอยู่คองกระจายแล้วอ่าเนี่ยค่อยมาปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็ไปไปดูกิจดูใจตัวเองนี่แหละ ก็คอยมัดคอยเข้าใจเข้าใจกิจตัวเองเนี่ยเข้าเข้าใจอะไรก็ทำามดหมดแล้วพอมาเข้าใจแล้วก็ตั้งแต่ก่อนไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีหนังสือก็มีตั้งแต่เห็นคนใดเอาจะไปบวชอยู่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านต้องให้เดินจงกรมด่างพวกเรานี่แหละไม่ได้บอกไม่ได้สอนกัน มีเตีงเดือบอกให้เดินยคมนี่แท่านมีคำพูดที่เจ้าท่านก็บอกอย่างทังพวกหลวงพ่อบอกอยู่นี้เนี่ยภาพทามือเนี่ยจนเข้าใจให้ธรรมะมันเกิดเองไม่ใช่ว่าเราไปเรียนอยู่ตามหนังสือเนี่ยที่พวกเรามาเนี่ยประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราเดินกลับไปกลับมาเนี่ยให้อยู่กับตัวรู้ตัวเดียวเนี่ยแล้วก็มันอะไรเกิดขึ้นเนี่ย เราจกรู้จักด้วยจักก็ไม่ไม่รู้ก็ตั้งแต่ก่อนมันไม่รู้มันอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ไปติดติดในสิ่งนั้นอติดสิงนั้นก็ไม่ไม่นั่นแหละก็เดินอยู่นั้นแหละหมดวันหมดค่าหมดคืนมันก็ปวดแทงปวดขาเหนื่อยเซ็งเบื่อสารพัดจะไมนจะเป็นบางทีก็ปวดแขนบางทีก็ปวดขาบางทีก็แน่นหน้าอกบางทีก็สารพัดตั้งแต่จะเป็นใบคิดไปลอยแปดพันประการ มันก็เป็นอย่างนี้หละออคิดไปคิดมาเดินไปเดินมาท่าเหนื่อยแล้วก็มานั่งสั่งแหววซั่งเราทำอยู่เนี้พวกทำหลับหูหลับตาก็มีมีหลายหลายแบบตั้งร0อยแปดเจ็ดที่ตั้งแต่ทำต่างคนต่างทำอยู่เนี่ยวันนี้ก็ส่วนร้อย 108 <dear S 1> ร้อยแปดรอยเจ็ดสิบเ ก, ก้านี่ยร้อยแปดร้อยเกียรติอันนั้นก็ อ, นอันนั้นของเขาแต่ว่าร้อยอันนัตนรัที่นี่มี ม, ม, มีคนเดียวอย่างที่เราทํานีน้นหะมีแต่พระพุทธเจ้าของเราทําทําไปเขาเขารู้จั ก, จกลูกอะไรเกิดขึ้นทางกายคอยรู้จั ก, จกทําใจก็รู้จั ก, จ ก, ก, จกเป็นทุกข์อะไรเกิดขึ้นมาเราก็รู้จักรู้จักแล้วก็ มันไปติดไปไปติดไปอยู่ในความคิดแล้วก็ทําไม่มีครูบาอาจารย์สอนก็ทําหานั่นแหละเดินทังเดินก็ให้เดินเพ่งก็ให้เพ่งจ้องก็จ้องสารพัดตั้งที่จะเป็นไปอันใดเบาเบก็ทําไปทําไปจนเบื่อหน่ายจนจนขี้เกียจทำมาแหละอะไรก็ทําหมดทำหมดอะไรก็ไม่เห็นเหนื่อยก็ ไปเป็นผู้เหนื่อยมันจะพักก็เป็นอยากเป็นผู้พักเนีพอมาอดทนต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ค่อยรู้จักอันนั้นอันี่เข้าไปเรื่อยๆไปเหมือนเหมือนเราอยู่เดี๋ยวนี้แหละที่แรกไม่มีอาจารย์สอนมก็สับสนวุ่นวายเนีอาจจะเหมือนเหมือนพวกเราจะริงๆเพราะว่าไม่มีอาจารย์สอนเนี่ยไปหาอาจารย์สอนก็ไปดับหูดับตาอยู่ด้าเปก หรือสีคีภัยก็ทำอยู่อย่างนั้นทำแล้วก็ไม่เห็นออกจากทุกข์อะไรได้เลยพระพุทธเจ้าท่านก็ไปตามเรื่องตามราวของท่านตั้งแต่ออกบวชใหม่ๆเนี่ยท่านไปหาไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยไปหาแล้วก็ไปเรียนไปหลับตานี่แหละนั่งหลับตาบ้างเดินจงกรมบ้าง ในอย่างที่โด้ทาทำหนอทำพุทโธอยู่ทุกวันนี่แหละบางทีก็สารพัดนับถึงสองสามก็มีเบึงดูล้มหายใจก็มีตัวแต่ใครจะสอนกันนี่มันก็เป็นอย่างนั้นพอมาเข้ามามาดูตัวเองเนี่ยเรามีกายกับใจเนี่ยเห็นกายมันเคลื่อนไหวกใจเคลื่อนไหวเนี่ยังแตกอ่อนมันเคยออกนอกไปตามันก็หลอก ไอ้หูไม่ก็หลอกจาหมูกลิีนไกาใจไม่ก็หลอกมีแต่หลอกไปหมดเลยก็ไปตามมันไปอย่างงั้นแหละทั้งดีใจบ้างทั้งเจยใจบ้างทั้งเพลิดเพลินบ้ทั้งเบียรนายทั้งสารพัดมันจะเปลีอยนก็ไม่เห็นอะไรมันนั่นมีแต่อทําอยู่งั้นแหละมันไม่รู้อทําไปทํามาก่อันไดมันก็เบาเออมันทุกข์เพราะอะไรแล้วก็ค่อยมาดูไปดูไปก็ค่อยเห็นเห็นตัวเองอ่ะคนเนี่ มาดูตัวดูไปดูมาเดินไปเดินมานี่ยก็มันรู้สึกเหยียบอะไรก็รู้สึกอย่างเรานี่มาดูเดี๋วนี้ก็เนี่ยเหมือนกันนั่นแหละก้าวไปก้าวหนึ่งเมื่อกรูสองก้าวเรากดบนรุก็รู้สามก้าวเมื่อกลูถ้าเราอยู่กับตัวรู้สึกเดียจิตใจของเรามันก็ไม่ไปไหนเออแล้วก็มาคิดคิดเดินหา เราก็พิจารณาเอาเนี่นยแหละพวกเรานี่ก็พยายามมาเดินหาตัวนี้แหละตัวพึ่งของเรา แ, แท้ๆตัวรู้สึกเนี่ยมาพึ่งกายมาพึ่งใจใจก็มีหน้าที่เคลื่อนไหวเนี่ยกายกายก็มีหน้าที่เคลื่อนไหวใจก็มีตั้งแต่หน้าที่คิดคิดอยากได้นั้นอยากได้ที่อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้คิดรักคิดชงังคิดอิจฉาคิดพยาบาทเจ้รารับฟ้าถึงจะไม่คิดไปไ ป, ไปเราคิดไปก็เพลินไปกับมันไปเรื่อยๆไป ก็มันก็ไม่เห็นอะไรมินแปลกบางทีก็หนักบางทีก็เบาบางทีก็ง่วงเหงาห้านอนสลัพัดตั้งแต่มันจะเป็นวันนี้พอเรามาปฏิบัติเนี่ยมวยจากกายเคลื่อนไหวใจรับรู้เนี่ยเราก็ให้พิจารณากายของเราอะไรเป็นผู้เคลื่อนไหวอยู่นี่ให้พิจารณาให้เห็นคนหนึ่งเป็นรู้ผู้เคลื่อนไหวคนหนึ่งเป็นผู้รู้เนี่ย ธรรมดาคนนี้ต้องถามมหาถามเจ้าของมาเนี่ยจมติกรคนนี้เดินนี่คืออะไรเดินอมันรู้สึกนี่อะไรมันมันรู้สึกอยู่เนี่ยคนตายมันรู้ไหมคนคนคนคนตายเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้ไหมมันรู้สึกไหมก็ถามหาไปงี้แหละหาตามไม่มีอาจารย์สอนอ่ะแต่ก่อนอก็โอ้คนเราเนี่ยถ้าใจยังอยู่เนี้ย กับเมือนกายมันก็มันก็เพื่อนไว้ได้กายใจเมื่อก่นึกคิดไปคนไม่ตายเนี่ยคิดอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากให้ยําเป็นอย่างนี้อยากให้มันเป็นอย่างนี้ถ้าสิ่งไหนที่ไม่ชอบใจมันก็ไม่อยากให้มันเป็นถ้าสิ่งไหนมันชอบใจมันก็ไปอยู่กับสิ่งนั่นไม่อยากไม่อยากให้มันหนีไปไหนก็ไปเพ่งไปจ้องมันดึงนั่นแหละพอไปเพ่งไปจ้องข้อมันก็ เปลี่ยนสภาพไวปไปเลยคิดเมื่ก็หนักใจของเราเมื่อก็ออกดอกไปแต่พื้ือไปเอี่ยเมก็คนความเบียดนายความอติดอกติดใจความดีเนี่ยมันก็ออกจากดอไปแล้วก็มีแต่ความคิดเอพ่ยพอคิดออกไปก็ไปเพลิดเพลินกับความคิดอีกมันก็พิษติดอยู่ที่นั่นมันนี้ถ้าเรามีสติคข้าสติมีสติเข้าสติเข้าเน่ยมันจะเข้ามันจะรู้จักเองโอ้ มันคิดไปตัวนี้อตัวมันพาทุกข์นี่คืออะไรตัวพะทุกข์นี่ก็คืออันความคิดของเรานั่นแหละแนวกายมันเจ็บมันปวดได้มันก็เป็นอันเดียวกันหมดไม่รู้อยากว่าอมันเป็นอะไรถ้าใจมันมันทุกข์ที่กายก็ทุกข์ด้วยถ้ากายทุกข์ใจก็ทุกข์ด้วยมันเป็นน้ด้วยกันหมดเลยมาเด็วก็เลยมาเข้ามาหาดูพิจารณาไปอย่างเนี้ย เอกายนี่มันต้นเรื่องธรรมชาติมันเป็นรังของโลกอะไรก็ไม่วมอยู่ที่กายนี่ส่วนจิตใจของมันมันก็มีหน้าที่คิดคิดอยากเป็นอย่างนั้นชี้ไปที่คิดอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้มันแต่ละพระต้องไปคิดไปแล้วก็เท็ดทำไงเรายังจะรู้จักหน้าที่ของมันโอ้กายของเราเนี่ยมันมีความเกิดมาก็มีความแก่ความเก็บความตาย โอมันเป็นอยู่นี่ไม่ว่าสัตว์เรี้ยแขนได้มันก็เป็นเหมือนเราสัตว์ที่เลียแขนไม่ได้มันก็เป็นเหมือนเรามันก็เป็นอยู่นี่นะนะแล้วก็มารู้จักโอ้กายเนี่ยมันมีหน้าที่เคลื่อนไหวหรอมาการทํางานทําการทํางานทุกอย่างก็ต้องอาศัยกายของเราเนี่ยนะมันอยากไปไหนมาไหนก็อาศัยกายไปส่วนใจนี่ก็ เออเป็นผู้คนใช่เป็นคนเป็นหัวหน้าอยากไปที่ไหนนี่ก็ให้ใจใจมันก็คิดให้กายนี่พาไปเน่พาไปหรือต่างคนต่างอาศัยกันกายก็อาศัยกายก็อาศัยใจใจก็อาศัยกายผู้หนึ่งเป็นนายผู้หนึ่งเป็นเบาเนคนหนึ่งเป็นคนที่เคลื่อนไหวคนหนึ่งเป็นคนให้ขี้ไปทางโน้นไปทางนี่บอกให้เดินก็เดินบอกให้วิ่งก็วิ่ง เอาแต่เขาจะใช่เขาบังคับให้ไปก็ไปตามขอแหละก็รู้จักนี่นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นก็ค่อยรู้จักหน้าที่ของภัยของมันแล้วก็เลยมันรู้จักเอมันเป็นเรื่องธรรมชาติเกิดขึ้นมาแล้วมีเกิดมีแก่มีเก็บมีตายมันเป็นธรรมดาเนี่ยถ้าคนกายกับใจเนี่ยถ้ามันไม่รู้จักกันแล้วแล้วก็จะทุกข์เกี่ยงนั้น บทที่มาฝึกให้มันมีความสามัคคีกันกายเคลื่อนไหววิธีใดก็ให้ใจรับรู้ไปด้วยกายเคลื่อนไหววิธีใดก็ให้ใจรับรู้ไปด้วยนี่พอรับรู้ไปรับรู้ไปนี่ฝมความคิดนั่นแหะมันก็ไม่มันก็ไม่หนีมันก็ไม่มาถี่เหมือนเหมือนก่อนตั้งแต่ก่อนพอมาเห็นความความคิดแล้วเราก็กับกายเนี่ยเคลื่อนไหวไปเนี่ยเราก็มาดูกายเคลื่อนไหว หยบเบียบดินปั right ๊บก็ร so well, right ู้หยบดินป right ับไปก็รู้รู้ไปแยกใช้แล่ขวาก็รู้อ่าันนี้ก็เอี้ยไก่ไก่มันมีหน้าที่คิดคิดนี่ก็ไปพิจารณาไปพิจารณาไปมันก็เห็นทุกเห็นทุกเกิดจากจากใจจะทําอะไรเนี่ยถ้าใจมันอยากไปนั่นแหะตั้งแต่ก่อนแล้วก็ตามใจมันหมดมันอยากไปกินไปเล่น ไปหลับไปนอนที่ไหนก็ไปตามมันอย่างมัคิดมันบอกให้ลังเกียจคนคนลังเกียดอยากให้ไปตีคนเมื่อก็ตีอยากให้ไปลักสิ่งของคนเมื่อกี้ใจพาไปคิดจะได้ไปก็เห็นคิดเห็นแล้วก็บัดนี้ก็มาดูบัดเนี่ยมาดูแล้วก็มาเดินจงกรมเดินกวมนี่ก็อก้าวไปเข้าใดก็เห็นก้าวไปก้าวใดก็เห็นพอเห็นแล้วก็มาอาศัยบัดนี้เห็นเห็นที่อาศัยแล้ว เนีอาศัยในกายของเรานี่ยมันเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเราก็มีอันต้นหนึ่งเป็นคนเคลื่อนไหวคนหนึ่งเป็นคนรู้ก็ให้กายกับใจนมันสมัครคีกันพอมันออกไปนี้เราก็มากำหนดกําหนดพอเรากําหนดเนี่ยใจมันก็ออกไปมันก็เข้ามาเข้าใหม่กับเราเนี่ยเราก็ดูพามันเดินไปเดินมาพอเราเผลอนิดหน่อยมันก็ออกไปอีกออกไปล้วก็เราก็ไม่อยู่กับรู้สึกอีก ก็ทําให้เรื่อยๆไปทำให้เลีงเข้าเลีงเข้าเนี่ยพอเดินไปพอเหนื่อยมันเราก็ไม่ต้องเอาตามใจมันมาเนี่ยพอมันเหนื่อยเข้ามาเหนื่อยเข้ามาเนี่ยมันชวนนอนนอนนั่งเถอะมันปวดมันเหนื่อยนั่งเถอะเราก็ไม่ต้องแต่แต่ก่อนเราเราพามันหยุดเลยมันนี่รักอดทนเดินไปเดินมาเนี่ยมันปวดมันเจ็บมันปวดเราก็ไม่ไปอยู่กับตัวนั้นเรามาอยู่กับตัวรู้นี่บัดเนี่ย รู้เนีเหยียบดินเหียบปั๊บรู้รู้เรานั่งอยู่ก็พลิกมือเราก็รู้มือขวมือซ้ายเอาขึ้นเอาลงเราก็รู้รู้ไปรู้มาเมื่ก็กลับขึ้นมากลับขึ้นมาแล้วก็รู้จักที่พึ่งแล้วไม่ว่าจะเดินหรือว่าจะนั่งอยู่เราเคลื่อนไหวนะเราจะมาดูตัวนี้แล้ววันนี้ดูให้มันเป็นดูแลอย่าไปจ้องอย่าไปจ่อมันถ้าจ้องจ่อมามันก็จะทําให้เราอึดอัดขัดเคียงไม่สบาย ขึ้นมาแล้วก็อยากให้มันหายก็ไปบังคับให้มันหายอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นนี่ก็ยิ่งเป็นไปใหญ่แล้ววันเนี้ยเนี่ยมันเออเราก็ต้องทิจารณาตัวไปมาดูตัวรู้ตัวอีตัวเคลื่อนไหวเนี่ยกลยกับไกลเนี่ยตัวนี้งเคื่อนไหวตัวนึงรู้เนี่ยค่อยเห็นไปเห็นไปมันก็ค่อยเบาบางออกเบาบางออกความที่ฝืดเคียงความที่ไม่อยากทํำมันก็เกิดความขยันขึ้นมา ก็ค่อยเข้าใจเข้าใจที่เล็กที่น้อยไปเรอแล้วก็ค่อยเป็นไปทําไปเห็นโอ้ตัวนี้เป็นลูกตันนี้เป็นน้ำเนี่ยเนี่ยให้เราพยายามให้เห็นไม่มีตัวไม่มีตนจะรู้ก็ไม่เห็นตัวไม่เห็นตนนี่มันมีมันมันเป็นอยู่นั้นมันไม่เที่ยงไม่มีสิ่งที่เที่ยงเลยแล้วก็พิจารณาไปเอ๊ะกายมันเป็นอยู่นี่ใจมันเป็นอย่างนี้มันทุกข์ทุกข์ททั้งสองอย่าง กายก็ทุกไปอย่างหนึ่งใจก็ทุกไปอย่างหนึ่งถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะรู้จักที่พึ่งที่อาศัยเนี่ยเมื่อมันอะไรกายมันเป็นมันเจ็บมันปวดอย่างอื่นแล้วก็เข้ามาอยู่หยับใจใจกายใจมันเป็นทุกข์ด้วยให้ใจมันดีให้มันสบายมันคนละอันเราเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันเพราะเรามีที่พึ่งนีที่พึ่งที่อาศัยแล้วมาดูกายเคลื่อนไหวใจรับรู้เล่นๆไป ถ้ามันเป็นอยู่ทั้งใจกายก็ให้มันสวายมันเรื่องของใครเรื่องของมันให้ช่วยช่วยกันรักษาหาอะไรมาทําให้ให้มันเนี่ยเพราะทุกถ้ามันทุกข์ขึ้นมาเนี่ยทำอะไรทําทุกข์เนี่ยเราก็ต้องให้รู้จักวิธีปกปักรักษามันถ้ากายมันมันเป็นทุกข์เราก็ต้องหาวิธีแก้ให้มัน มันเนี่ยก็ต้องพามันพักมันร้อนก็ต้องพามันเขาร่มมันหิวอะไรก็ตามมันอยากอะไรก็พามันกินกินแล้วก็ให้รู้จักรู้จักหน้าที่ของมันจะกินมากก็ไม่ได้ให้มันพอดีพอดีไม่ว่าแต่อะไรอย่ามันรอดโดยกายกายกาของขวงดีไปให้มันพอดีนี่ยมันมันดีมาหนถ้ากินมากมันก็เจ็บถ่แล้วก็พานไปไื่ถ้ามัน อิ่มแล้วก็ให้รู้จักอิ่มอร่อยก็รู้จักมันเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรเราเรู้จักอะไรเข้าไปให้หามันนะ่ะเนี่ยส่วนใจของเราก็มันก็มีทแต่ความพอใจความไม่พอใจมันทําให้ความไม่ก็เกิดให้เราทุกข์อย่างนี้เราก็พยายามว่ไม่ต้องไปเป็นกับมันมีที่พึ่งมีที่อาศัยเราก็ต้องให้กายกับใจนี่มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นั่นแหละให้ให้เราค่อยดูไปมันก็ค่อยเข้าใจเองเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดอย่างนี้มันก็ไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาศัยนี่ให้รู้จักรูปรู้จักนามเนี่ยหลงพ่อท่านบอกว่าถ้าไม่รู้จักรูปจักนามเนี่ยถึงจะไปเรียนจบเนียมาพระไตรปิฎกมามันก็มันก็ยังพิชทุกข์อยู่เหมือนเดิมท่านว่าอย่างนั้น แล้วก็มาฟังแล้วมาทำตามมันก็มันก็รู้จักเม่างน้อพ่อท่านป่วยเนี่ยไปเป็นมะเร็งเนี่ยโทษถึงตายก็ไม่ตายมันไม่หันใจท่านก็ไม่ต้องไปหันใจมันเราก็อยู่เฉยๆตัวมันหันไม่ออกเราก็อยู่เฉยๆท่านพูดให้ฟังอ่ะไปเห็นพวกเราไปเนี่ยท่านควกมือเลย ควกมือแต่แป้พทย์เขาไม่ค่อยให้เข้าไปหรอกท่านเห็นท่านควกมือให้เข้าไปหาแล้วก็ท่านก็เอากระดาษอยู่งหัวท่านนั่นแะเอามาให้ท่านเขียนเอาเขียนแล้วเขียนว่าไม่ต้องห่วงผมหรอกผมสบายเดี๋ยวนี้ผมสบายผมไม่เจ็บผมไม่ปวดนอย่าอย่าน้อยอกน้อยใจกับผมเลยผมไม่เป็นไรหรอกท่านบอก ก็ไม่มีคำพูดหลายดอกพออ่านจบแล้วก็เอากดดานไว้แล้วก็มาพูด้กันฟังเนี่ยเพราะว่าธรรมะเนี่ยถ้าเราเข้าถึงแล้วไม่ไม่มีอะไรที่จะเปรียบปนได้ของวิเทศที่อยู่กับเราเนี่ยให้เราเข้าใจของดีมันอยู่กับตัวเราทั้งหมดตั้งแต่ก่อนเราไม่ได้ฝึกไม่ได้หัด นะเป็นคนป่าคนเถื่อนไม่มีขอบเขตไม่มีที่พึ่งที่อาศัยพอมาเรามาจับมาฝึกมหัดเขาจิตใจของเรานะมันเป็นปกติมันจะพาไปไหนมาไหนเนี่ยเรารู้จักเราไม่ต้องไปต้องขัดมันต้องขืนมันทุกอย่างเลยไม่ไปเคี่อมันเพราะเราเป็นเป็นทาสของมันมานานแล้วตัวเล้วแต่เราจะพามันพาเราไปไหนเราก็ไป พาลักก็ลักพาชังก็ชังพาอิจฉาพยาบาทเนี่ยพาชี้เกียร์ชี่ข้านสารพัดอันั้นมันจะทำมันมั น, ม, นมันมาทำโทษเราพาเร า, า, เราทุกเราจนก็อันเดียวนี้แหละเนีตั้งแต่ก่อนมันรู้จักหน้าที่มันก็ไปตามเรี่ยงตามเรามันไม่ว่าคนก็นมือกันสัตว์ก็เมือกันว่าคว า, ายเนี่ยเนีฝึกใหม่ๆนีก่ก็ดึงไม่ ไ, ม ไ, มไหวแล้วต้องดึงช่วยกันจับช่วยกันดึงช่วยกัน คนหนึ่งจูงคนหนึ่งเอาใส่เอาไถไถ่ใส่ไม่วางวหรือว่ายก็เหมือนกันต้องดึงช่วยกันไล่ช่วยกันมันไม่ไปก็ดึงมันนอนมันอะไรก็ตีขึ้นช่วยกันดูขึ้นมาก็วิ่งวิ่งก็ตามมันไปแบบในจิตของเรานี้ก็เหมือนกันเนี่ยเราตั้งแต่ก่อนเราไม่รู้จักเนี่ยมันอยู่เฉย เหมือนควายเหมือนววควายแต่เรายังไม่จับอยู่ตัวเล็กๆเราก็ไปรูปมันได้ไปดึงเอาเขาเอาเห็บออกให้มันก็ได้พอเราไปจับมันน่ะพอเอาเข้าเข้าเอาเคือกไปค้องคอมันท่าแล้วมันจะกระโดดเลยอ่ดีไปดีมันก็จะกระโดดชนเราอีกต้องหาที่หลบดีี่ก็ต้องบังคับกวาดจัตัวจนปลายให้มันได้มันก็ต้อง ช่วยกันทำทำแล้วเราก็เอาไปผูกแย้ไปหาเอาหญ้ามามันกินถ้ามันไม่อยากมันไม่เสาหายเนี่ยมันก็ไปกินแบบค่อยลูปค่อยนั่นแหละค่อยจับไปหาเอ า, เอาไม้มาเอาดางแหมาพันปลายปาย ไ, ไม้แล้วก็เอาไปไปรูปหัวมันลูปแมลงวันให้มันลูปไล่ค่อยลูบ ไ, ไ, ไ, ไปลูปมา มันก็ค่อยคุ้ค่อยเคยเข้ามันก็ให้เขาเราจับเราบายจะจูงไปที่ไหนก็จูงค่อยจูงมาได้ที่แหลมก็ดินน่ะพาไปมันก็ดินเอาไปเอามาดินก็ค่อยสู้เราไม่ไหวไม่ก็ไปตามหลังของเรามันมันจะเป็นอยู่นั้นมันก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นพอมันรู้แล้วไปลําที่ไหนมันก็ไม่ไหนแน่เนี่ะไปผูกไว้ที่ไหนก็ได้ไม่ไม่ดินเลยพร้อมยินแล้วเราก็ออกไปใส่คาดใส่ไถ ดินมันก็ดิ้นไปอย่างไงแหละมันกู้เราไม่ได้มันก็อวดตาดทําไปเอาไปมาก็วางเครียดวังอะไรได้เดินอาทางหน้าไปคนที่จูงเราไม่ต้องเอาแก้เครียดเครียดออกได้อพอมันมออกจากคอลองแล้วเราก็ไปจับเขา <ไป S 2> เข้าคองอีกคองคลองคลองเนี่ยมัอนกันหลายครั้งว่าเข้าไรเขาเข้ามันก็จําได้มันก็ไปตามคลองแล้วเอาไปมาก็วางเครียดได้ก็ไล่ไป พอได้ไปไถไปไถมาไม่สองพอนั่นเลยสองงานสางานเขาก็กวางเครียดไปปล่อยไปเนีพอมันออกไปเราก็ดึงไว้ดึงไว้มันวนแล้วก็ทิ้งไถลงกลับไปกลับมาดึงไปดึงมาไปมัก็ไปเองพอมันเข้าใจแล้วมก็ไปของมันไปของมันแล้วก็ดีเข้าดีเข้าดีเข้าอะไรทำไงก็ได้บ่เนี่บอกหยุดมันก็หยุด พอไปตามต้นไม้รากไม้เนี่ยมันก็รู้จักหยุดเนี่ยถ้ามันยังไม่หยุดมันก็ต้องดัดเนี่ยแหละเราก็ต้องหาวิธีถอดไถออกจากให้ให้มันทันประเดี๋ยวหาไถหักอีกตั้งแต่ก่อนไม่มีไถเล็กเหมือนเงินกับเราเนี่ยแหละเดาอนี่ยังไล่กว่ากว่ากว่าควายทำมาเนี่ยมาเดินอย่างนันแหละตั้งสองเดือนสมเดือนเป็นปีสองปีมันก็ยังไม่รู้จักร่องจะขอรอยเลยบางคนน่ะ มันเป็นอย่างนั้นพอมาคิดเด้วมาปฏิบัติแล้วมาคิดเห็นไปฝึกว่าพึกคอยเนี่ยน่าสงสารแท้สงสารกว่าสงสารคอยเนี่ยตั้งแต่ก่อนไม่สงสารตัวไหนฝึกยากย่างตีโอ้ยน่าสงสาร เ, เกินพอมารู้จักเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็ไม่มีไม่รู้จักภาษ า, าแล้วคนเนี่ย ค่มเหงสัตว์นี่ข่มเหงแท้ๆแล้วก็เราก็จะถูไปเป็นแบบนั้นแหละเราตายไปก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันเขาก็ยังมาเป็นคนเราก็จะเป็นวัวเป็นควายให้เขามาค่มเหงเราเหมือนเราไปค่มเหงเขานั่นแหละเเฮ็ด <c oughs> ทำนาแล้วก็ไปขายขอ ข, ข่าอีกโอ้ยไม่เอาแล้วเนี่ยเรามานี่มาตัดกรรมตัดเวรมาเนี่ยมาอยู่ที่เนี่เฮ็ดอดทำไมาได้หรอก เรามาเอาเนี่ยมาทำมาเนี่ยเราตัดกรรมตัวเองเนี่ยเราตั้งแต่ก่อนเราไม่รู้เราไม่เห็นลูกไม่รู้จากบุญไม่รู้จากบาปทำอะไรชอบใจว่าตัวตัวเองทำดีถึงมันจะไปบังเบียดสัตว์อื่นก็ตามมนุษย์กันโลกก็ตามสัตว์เดขานก็ตามว่าตัวทำดีหมดไปข้าขอเขาว่าว่าตัวดีเนี่ยพอมาประพฤติปฏิบัติเนี่ย โอ้ยแต่เกิดมาคุณโยมเอ้ยอายุห้าสิบเจ็ดปีหลวงพ่อบลบวชเนี่ยเอาทัความดีมาเทียบกับความชั่วเนี่ยนะความชั่วท่ำอันมันมันหุ้มห่อไปหมดเลยเหมือนเหมือนศาสนาอื่นมาห่อหุ้มศาสนาพุทธแล้วนี่แหละเนี่ยงหลวงพ่อท่านมาสอนที่แรกเนี่ยโห้ยนําบากที่จุดเลยแหละมาสอนคนนะไม่เคียะท่านมา สอบสวนหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์เดี๋ยวไปติดคุกติดตารางเนี่ยมันมันขนาดาษแนมันไม่รู้จักหรอกสานสอนความความจริงให้ฟังได้แท้น่ะเขาก็ยังไม่เชื่อเลยเพราะว่าศาสนาอื่นเขา้มหหเขาอันอื่นมาชำละสามไม่หมดแล้วจึงในที่มันจะเป็นประโยชน์แก่ศาสนาพุทเนียเขาที่พยายามตัดรอนออกหมดแล้ว วิธีดีตองไม่มีพุทธศาสนาเราเนี่ยมาดูจิตดูใจของตัวเองดิใจมันชั่วเราก็เห็นจิตใจเราไปที่นั่นไปที่นี่เราก็เห็นเนี่ยมาดูแล้วเน้่เราเกิดขึ้นมาตรเนี้ถ้าเราไม่มาพุทธปฏิบัติเราเกิดขึ้นมาสร้างพบสร้างชาติโดยตัวเองเนี่ยไม่รู้อยากอะไรหรอกมีแต่การหาอยู่หากินเอาชนะกันคนนั้นดีคนนี้ไม่ดี ไอ้ขาดมากนั่นแหละดูถูกนินทากันไปตามเรียงตามราวไปมันจะอยู่อย่างนั้นจนตายเนี่ยเกิดมาใช้ธาตุแท้กรรมตัวเองหวดแล้วก็ไม่บวดอกหมดกรรมไม่เป็นเนี่ยเพราะว่าเราเราไม่ตายเนี่ยเราเราทำอยู่ทุกวันเต้องหาอะไรมากินเน่เป็นเป็นอาหาร เอาเขามาเป็นอาหารตัวเองไม่ได้กินเขาไม่ได้มนุษย์ตราเนี่ยพวกนี่แหละยักยักกลืนสันขคอกิวกิวตามมนๆทั้งเหลือก็หูเล่นอยๆห้อยอยู่ข้า้งน้นครั้งนี้เนี่ยตาก็ลอกแรกลอกแรกออกจากบ้านไปก็หาข้าเขาหาทิ้งนวเทียมากินนพอเขาจะมาเอาตัวไปกินเนาะหาที่งไมอยู่ไม่มีอ่ะมันเป็นไงคนโยมเนี่ย เนีวันี้ก็คิดไปคิดไปเนี่ยพอเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยเราเนี่ยอยากได้ดีทุกคนนั่นแหละแต่ไม่ไม่รู้จักดีทําอะไรไปเนี่ยไม่อยากจะทุกข์อยากให้มีดํารวยให้สบายสบายไม่อยากทุกข์เลยแหละไม่อยากทําอะไรทํานาไม่อยากมีอยากอยากให้มีไข่มาฆ่ามาทําให้เขามาทําให้เรากินอไม่คิดแอ่แบบนั้นหลายคนน่ะ บางคนเป็นลูกที่เศรษฐีมีมั่งเขาไม่ทำหรอกเอาพวกเราเนี่ยไปเป็นชี้ขาเขาพากันข่มเหงเขาสารพัดนานตั้งแต่ก่อนน่ะเป็นเอาคนจนน่ะเอาคนมีเอาไปเป็นชี้าเขาก็เรียกว่าอะไรอ่ะเรียกไถเขาเรียกไปเรียกไถเป็นเป็นเป็นขี้ข้าคอเขาไปทำคนใช้เป็นคนใช้กับบ้านน่ะ ถ้าใช่ไม <talk ing sau> oh oh, oh. well. ่ได้เขาก็ตีเอาตีหัวนั่งผ้าแตกเขาไม่ว่าเนี่ยมันเป็นแางนี่เขาถ่ายมาเราก็เห็นเพาะเป็นกน้อยเฉพาะก็เห็นอยู่ที่เขาเป็นเป็นคนเป็นคนจนน่ะไปไปอยู่กับคนรวยเนี่ยเขาว่าเขาตีเอาเหมือนตีน้อยตีผู้ใหญ่อย่างนั้นก็มีน่าสงสารเหมือนกันนะ แล้วก็ไม่ไม่ดูตัวเองหรอกดูแต่คนอื่นคนที่อยากสบายนั่นมันไม่ดีหรอ ก, อกถ้าเราคิดอยู่อย่างเดี๋ยวนี้พอมารู้จักแล้วนะพอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยคนขี้เกียจที่ข้า น, นี่มันไม่ดีทําความเดือดร้อนให้ตัวเองทําความทุกข์ให้ตัวเองอจะไปอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีความสุขคนขี้เกียจที่ข้า น, นี่ พวกที่เขานลื่อมรวยเนี่ยเขาคนขยันคนขยันเนี่ยเขาเนื่อนอนแต่นอนดึกดุกเช้าพอลูกงถึงมาเนี่ยเขาจะทํางานเสร็จแล้วงานอันหนึ่งหนึ่งพอสายออกมากินข้าวแล้วเขาก็ไปทํางานป่างานบ้านเนี่ยเขาจะช่วยกันของใครของมันลูกเขาก็ดี พอตื่นขึ้นมาเนี่ยลูกก็ทำมาหนึ่งแม่ก็ทำมาหนึ่งพ่อก็ทำมาหนึ่งถึงเวลาเราก็มาจิ้งข้าวไปทำงานแล้วเขาไม่ไปทำงานเขาก็ทำตาทำหน้าที่ของเขาะเขาเป็นคนขยันหมดวันยังทำเลยเนี่ยคนอย่างนั้นไปไหนก็ดีสร้างความสบายความสำราญให้ตัวเองเนี่ยคน คนนี้เขาจะคนไม่จนเนี่ยหน้าตาเขาก็เยี่ยงเกาลาแหลมสะอาดสะอา้านบ้านบ้านบ้านทองเขาก็ใสสะอาดไม่เศร้าไม่มองการคลองชีพของเขาก็จเจริญขึ้นเจริญขึ้ น, น, นคนที่ขี้เกียจติค้านนี่รู้จักว่ า, วากิจใจมันเศร้ามองหน้าตาก็ไม่อุดมสมบูรณ์อเป็นหน้าคนทุกข์ เพราะว่าเราทำเราทำเองต่อไป้กก็อยากได้นั้นอยากได้นี่อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเขาเห็นก็มีก็อยากมีเขาแต่ว่าตัวนอาหากินเมันมี้ก็ทำความเดยดร้อนให้ครอบครัวไม่ถูกต้องกันมีแต่ความอิจฉาความพยาบามกันในเรื่อยไปไม่ไม่ไม่เอาการเอางานช่วยกันต่างคนต่างไปเป็นลูกเป็นเต้ามาก็ใหญ่ขึ้นมา แล้วก็ไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต่างคนต่างไปพ่อแม่ก็ไม่มีคนเลี้ยงก็มีอย่างนี้ก็ทมเทไปพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติธรมาแล้วเนี่ยสิ่งไหนที่มันมาเคยมาตัดรอนร้อนเราจะเห็นหมดเลยเนี่ยสร้างบาปเราก็สร้างเองทางบุญเราก็สร้างเองสร้างนรกสร้างสวรรค์สร้างนิพพานเราก็สร้างเองเห็นเห่านี้คนทุกคนจนเนี่ยไม่มีใครจะมาทําให้เราเลยทุกทุกอย่าง หาว่าคนนั้นมาทำาราทุกข์คนนี้มาทำาราทุกข์ไม่ใช่เราทำเองเราฆ่าตัวเองการอิจฉาการพยาบามบกับคนอื่นเนือไปว่าดูถูกคนนั้นคนนี้เราฆ่าตัวเองสิ่งไหนที่เราว่าไปที่สิ่งที่ไม่มีจำเป็นแท้ๆเนี่ยเราไปกลุมเห็นเขาว่าเขาเนี่ยอันนี้มันจะเปานเป็นสมบัติของพวกเราถ้าเราไม่อดไม่ทนไว้ไม่ก็จะ เกิดเรื่องเกิดราวกันไปอีกเพราะฉะนั้นให้เราเห็นให้ทําประเดี๋ยวนี้ปัจจุบันดีมันดีหมดถ้าปัจจุบันไม่ดีมันไม่ดีนี่ที่มาเห็นช่างยางคิดเลยความทุกข์มันเกิดขึ้นมาเราเห็นนะตอนที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยวิธีจะออกจากทุกข์คือเราไปเห็นความคิดนั่นเองตัดกันตัดเวนตั้งแต่ก่อนั้นนะมันความคิดเนี่ยมันมา ต้งพบตั้งชาติให้เราเพราะเราเห็นเนี่ยเราจะไม่เอาอีกเลยจะไม่คิดอีกความคิดอะพอคิดปั๊มาเราเห็นเห็นน่ยตอนมีสติเนี่ยมาตัดออกตัดออกมันก็จะสว่างสวัยไปในกับจิตกับใจของเราเออถ้าเราเผลอมื่อะไรมันก็กลับขึ้นมาอีกกลับขึ้นมาอีกแล้วก็มาดูตัวเองนั่นแหะอย่าให้เผลอไปที่ไหนที่ไหนเนี่ยตัวรู้เนี่ยให้มันไปด้วยให้มันมีกําไรวันหนึ่งวันนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยกาไรของเราอยู่ที่ไหน ก็คือตัวรู้สึกนี่แหละเราเห็นดูความปกติทั้งด้านจิตใจของเราก็ไปเห็นกายกับใจเนี่ยมันไปด้วยกันพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้จักรู้จักสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นประตูของเราเราก็ไม่เป็นสนเนี่ยประตูเราคืออะไรก็คือความคิดนั่นแหละเราก็ไปไปอ่ะมันจรเข้ามาเราก็เห็นเห็นแล้วเราก็ไปไปสนแก่กับมันเมื่ก็หายไปก็ทําไปทําไปพอรู้เข้ารู้เข้า มันจะกิด ใ, ใจใจของเรามันจะเบาเบาทั้งกายเบาทั้งใจไปใ น, นกระ ส, สว่างสวัยไม่มีอะไรเดียดร้อนพอขึ้นมาปั๊บเราเห็นพอขึ้นมาปั๊บเราเห็นเราเห็นแล้วเนี่ยตัดออกไปแล้วตัดการตะเว น, นคือตัดความคิดเจ้าของออกจากตัวเองไม่ไปอยู่เป็นความคิดแล้วก็ไปไปสร้างพบสร้างชาติอีกเนี่เนี่ยนี่มันสบายนี่แหละคนเราถ้าเข้าใจตัวเองแล้วก็ นั่นแหละพุทธศาสนาเราสอนแบบนี้พระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้ไม่ได้สอนเรื่องอื่นต่อไปอีกเราก็พยายามให้ไปทนายก็ให้มันรู้ลู่เล่นไปอย่าไปพ้องเพ่งอย่าไปจ้องมันอย่าไปเป็นผู้เอาอันนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยให้รอขยันดูตัวเองเกิดขึ้นมาเนี่ยเราเป็นเป็นผู้เป็นอะไรเกิดมาเห็นเราก็เล่าไปเห็นเราก็เล่าไปเขาว่าคนอื่นเขาว่าแล้วก็เล่าไปจะไปตอบอย่าไปตอบเขาไม่ไม่ใช่เป็นของกริงอ่ะ เขาสมมติว่าเราทั้งหมดน่ะละมาอยู่นี่สมมติเราอยู่ในโลกสมมติเนี่ยเราก็ต้องมาใช้สมมติใช้สมมติให้มันเป็นถ้าใช่ไม่เป็นมันเดือดร้อนมันให้โทษสมมติเนี่ยให้เรารู้จักสมมติมันญยัดมาบัญญัติให้เราใช้เราก็ต้องใช้ให้มันถูกต้องอย่าจะไปทำให้ใช่มันผิดถ้าไม่มีสมมติเนี่ยเราก็ ไม่รู้จักว่าจะเรียกกันว่าไงแล้วอันนั้นทุกอย่างไม่รู้ว่าเจ้าจะไปไปเรียกว่าอย่างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาตั้งขึ้นเองอ่ะกับคนนั้นแหละมาตั้งขึ้นเองอ่ะอันนั้นเป็นอันนั้นอันนั้นเป็นนี่เป็นภาษาเนี่เกิดขึ้นมาเราเรียรู้จักสมมติเล่ากันไปเราก็รู้เราก็แล่าไปแล้วก็ดีรู้จักเรี่ยงกันรู้จักภาษากันเนี่ยก็พูดง่ายเนีมันเป็นนั้น เขาว่าเราเขาด่าเราโอ้ยเขาสมมุติเฉยๆหรอกเขาไม่เขาหลังเกียดกับเราเราเขาอยากให้เรานี่ยนะอันทุกอยากให้เราในรู้จักว่าเขานั่งโกรธให้เราเนี่ยเขาหลังเกียดเราเขาอยากให้เราไอเขาในอยากให้เรารู้จักเขามาว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะเราก็มัต้องไปเอาเขาโยนไม้ให้เราเอาไฟนั่นนะนั่นไฟไฟนรก ไฟไม่มีความไฟไมมีแสงมันไหม้จิตไม่ใจของเราเห็นข่าลาวีเกินไปไม่มีจักจบด้วยนไม่ดูจากทิ่นี่จองเวนจองกรรมกันไปจนได้ข่าฟันมั้นแทงกันเป็นเรื่องเป็นราวกันไปสารพัดแต่งมันจะเปลียนไปเนี่ยเรามาปฏิบัติทัรคือมาดูสิ่งนี้แหละมันจะเกิดขึ้นเราจะไม่เอาสิ่งเนี้จะสบายใจ และผมมองวันนี้ก็องกรเตเยาวรา็ ย, ยุติแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนยงประสบพบเห็นความสว่างความสะอาดความสงบที่อยู่กับเรานี่ย ใ, ในเวลาใกล้นี้ทุกทกท่านทุกคนเทิน